ด้วยความรักแม่สมุดบันทึกประวัติพระอาจารย์เจียที่วัดเขาแก้วจ่าฤรึกไว้ว่าพระอาจารย์เจียท่านจะรับใช้อุปถัมภ์หลวงปู่ขาวแล้วเป็นเวลาสองปีท่านก็กลับมาจําพรรษาที่วัดเขาแก้วเนื่องด้วยอาการป่วยเกี่ยวกับโรคในลําไส้ของโยมมารดาที่เป็นเรื้อรังมานานนั้นทําให้อาการทรงกับซุดเท่านั้น ในบางคราวที่โยมมารดาอาการทุเราลงพอทรงตัวได้ท่านก็จะนํามาปฏิบัติที่วัดเขาแก้วท่านเล่าเรื่องโยมมารดาให้ฟังว่าเราชวนโยมแม่ให้มาอยู่วัดต่างไปง้อถึงบ้านเลยเราบอกว่าโยมแม่ให้มาอยู่วัดสักพรรษาสี่โยมแม่บอกว่าพรรษาหนึ่งไม่ได้หรอกสองเดือนได้ไหมไม่ได้แม่ป่วยไม่ค่อยสบายงั้นเดือนหนึ่งได้ไหม ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเอาเพียงสิบวันโยมแม่ตอบว่าเออถ้าอย่างนั้นไปได้เมื่อโยมแม่ท่านเข้ามาอยู่ที่วัดท่านออกอุบายให้โยมแม่ทำกับข้าวถวายทุกวันแต่เรื่องธรรมะระหว่างพระอาจารย์เทียกับโยมแม่ไม่ค่อยคุยกันเพราะโยมแม่ท่านไม่ชอบกิริยาของพระลูกชายบางทีโยมแม่ท่านก็พูดว่าเรียบร้อยหน่อยทีลูก คนเขาจะว่าเอาเราบวชมาแล้วแม่อายเขาคําว่าไอ้ควายไอ้หาไอ้เหี้ยไม่พูดไม่ได้เหรอลูกยิ่งเวลาอาจารย์ทวินมาหายิ่งพูดจนญาติโดียวก็หนีกันหมดแม่ก็รู้อยู่ว่าเป็นคนคอเดียวกันพวกเดียวกันบ้านเกิดเดียวกันแต่แม่กลัวคนเขาจะว่าเอาแม่รู้อยู่ว่ากิริยาท่าทางเป็นอย่างนี้แต่จิตใจดีทํากายวาจาให้ดีด้วยไม่ได้เหรอลูก โยมแม่ท่านพูดอย่างนั้นท่านก็นิ่งไปพักหนึ่งท่านก็พูดว่าโยมแม่นิสัยมันติดมาตั้งแต่ยังไม่เกิดไม่ใช่มันเพิ่งจะมาอุตริมาเป็นอตอนเกิดแล้วจะให้แก่ยังไงก็มันเป็นมาก่อนเกิดถ้ามันเป็นหลังเกิดก็พอแก้ได้อยู่แต่นิสัยมันติดมาในขันทสันการซะแล้วแก้ไม่ได้หรอกเพราะปรัชญาวิสัยโยมแม่ท่านชอบพระเรียบร้อยส่วนพระอาจารย์เตี้ยชอบอิสระ โยแม่จะไปโซ่ต่อสู้อะไรก็อายแฉลูกฤๅษีบางทีโยแม่ของท่านก็อึดอัดจึงบ่นว่าลูกกูทําไมเป็นอย่างนี้วะบวชเดือนแล้วไม่กลัวใครเลยผู้ชมโพรงพระอาจารย์เตี๋ยท่านเล่า ว, ว่าเป็นครามิิสัยท่านเป็นอย่างนี้จึงทําให้สอนโยแม่ยากท่านบอกว่าท่านไม่เก่งเหมือนท่านพระอาจารย์มหาบวชเอาแม่มาอยู่วัดด้วยได้ พระอาจารย์เทียจินเล่าต่อว่าเรานี่นะรักโยมแม่มากกว่าโยมพ่อเพราะเรากินนมแม่โยมแม่อยู่ในใจเราตลอดตอนเป็นเด็กๆถ้าผิดบางทีโยมแม่เอาแส้ไล่หวดเราก็วิ่งไปหลบอยู่ในคองน้ำบางทีแม่ไล่ตีเราก็วิ่งหนีเข้าโรงฝิ่นไปฟังคบคุยกันในโรงฝิ่นสนุกดีแต่เราไม่ได้ไปถูกฝิ่นโยมแม่เป็นคนเจ้าระเบียบเรียบร้อย ใจดีโยมแม่รักเรามากเพราะภายในใจท่านคิดเสมอว่าจากให้เราดำรงวงศ์ตระกูลให้ยั่งยืนปกครองทรัพย์สมบัติที่ท่านหามาไว้ได้เมื่อท่านตายไปแล้วก็หวังให้เราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้โยมแม่มีลูกชายสามคนหวังจะให้ลูกชายทั้งสามเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการงานทุกสิ่งแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น เพราะถึงพวกเราจะเกิดมาในท้องเดียวกันก็ตามจะให้เสมอเหมือนกันทุกสิ่งย่อมไม่ได้เพราะแม้แต่ผิวพรรณและความประพฤติยังแตกต่างกันยิ่งบุญกรรมที่ละเอียดยิ่งแตกต่างกันไปใหญ่ในบางครั้งเราเป็นเด็กทำความผิดโยมแม่รู้จักได้ก็จะสั่งสอนตักเตือนในสิ่งที่ประพฤติผิดไปท่านไม่ทอดทิ้งในเรื่องนั้นๆจะนามาสั่งสอนเสมอ พ่อแม่นี้ท่านรักกล่าวคู่เป็นลูกในทํานองเดียวกันกับมือและเท้าของท่านเองที่เปื้อนเปื้อนไปด้วยของสกรปรกเป็นสิ่งที่ควรชะล้างให้สะอาดถึงจะสกระปรกมากเพียงไรก็ไม่ควรที่จะตัดมือตัดเท้านั้นทิ้งเพราะจะทําให้ร่างกายตนเองเจ็บปวดและทรมานมากพ่อแม่รับลูกส่วนมากท่านก็จะทนุถนอมลูกเหมือนมือเท้าของท่านโดยทํานองนี้ ในระหว่างที่พระอาจารย์เชีรพักจำพรรษาที่วัดขอแก้วท่านได้แสดงความเป็นผู้กจัญญูกะวเวทีแก่ท่านผู้มีคุณจนสุดความสามารถในที่สุดโยมมารดาท่านก็เสียชีวิตอายุ98ปีวันที่17มีนาคม2517เมื่อโยมมารดาเสียชีวิตท่านจาัดพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติ นิมนต์ท่านเจ้าคุณพระพมมุนีวิชัยปุลธรมาราโมวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์แสดงธรรมในงานศพนั้นสหักธรรมนิกของท่านคือพระอาจารย์เฟื่อมโชติโกพระอาจารย์ทวินจึงนัธรรมโมมาช่วยเหลือจนตลอดงานหลวงปู่เสียซุนโทกระผู้เป็นดังภาาทีริ้วห่อทอง คนไหนได้ยินเสียงเปรตร้องคือญาติของคนนั้นอาตมาเคยเล่าเสมอว่ารักษาอุโบโสดตั้งสามสิบกว่าปีพ่อกระถิ่นเป็นร้อยครั้งพ่อข้าปาไม่พักตายไปยังเป็นเปรตได้เพราะจิตไม่ดีไม่แยกมันยังเกาะ อ, อยู่กับสมบัติด้วยอำนาจโลภะมีโมหะเจริตอยู่ในจิตมากคนแก่คนนี้อายุกว่าแปดสิบปีแล้วร่ำรวยเงินทองมาก ได้แบ่งสมบัติให้ลูกๆไปแล้วรักลูกคนเล็กมากก็แบ่งให้มากลูกชายคนโตได้ไม่เท่าไรแต่ไปสร้างฐานะเป็นเศรษฐีที่เชียงใหม่สมบัติของแม่ที่ให้ไปก็ยังอยู่แต่น้องสาวมีสามีแล้วเกิดไปเล่นการพ น, นันแม่เห็นลูกสุดท้องจะลำบากจึงไปขอสมบัติจากลูกชายคืนด้วยอานาจโลภะลูกคนสุดท้องก็นัางไปให้สามีเล่นการพนันหมดเลยเสียใจตาย ด้วยอำนาจกรรมติตเศร้าหมองบุญไม่เคยช่วยต้องไปนรกก่อนบัดนี้ยังเป็นเปรตอยู่ยังหาที่เกิดไม่ได้ต้องหมดเวรหมดกรรมจากเปรตซะก่อนจึงจะไปเกิดบนสวรรค์เพราะทอดจะขีนไว้ตั้งร้อยครั้งทอดทับป่าไว้มากเลยไปเสวยกรรมที่ตนทํามาก่อนกรรมที่ไปเอาสมบัติลูกชายคืนให้ลูกคนสุดท้องและลูกสุดท้องนําไปให้สามีเล่นการพนันหมด ตรงนี้เป็นบาปจิตใจที่กอะอยู่แยกรูปแยกหนามไม่ได้เพราะคนนี้ไม่เคยนั่งกรรมฐานรู้ซึ้งซึ่งปัญญาแต่ทางโลภีเท่านั้นแถมมีโมหะเจริญปิดบังปัญญาปัญญาก็ไม่รู้ซึ้งแล้วเขาก็ตายใส่เนรกยังเป็นเปรตวิสัยอยู่ด้วยอำนาจโลภะอย่างไปเที่ยวเข้าเขาอยู่ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังเป็นเปรตอยู่ ในวัดอัมภวานมีพระสีห้าองค์เป็นเปรตมาเริ่มส่วนบุญทุกวันพระท่านทั้งหลายจะเห็นหรือไม่ก็ไม่ทราบอาตจจมาถามว่ายังไม่เป็นเกิดอีกหรือเขาตอบว่าอย่างครับผมยังไม่หมดกรรมเที่ยวมาขอทานอยู่ที่วัดนี้มีหลวงตาเฟื่องเป็นต้นอีกองค์ที่อหลวงตาเกายังอยู่ที่นี่โผลมาทุกวันพะอยู่ข้างโบสถ์โน่นมารับส่วนสังฆทานที่เขาทากัน แล้วก็มาด้ำรด้อดอมองๆที่กุติก ร, รมถามว่าคนไหนมีบุญวาสนาได้ก ร, รมณา์เขาก็เข้าไปขอคนไหนค้าขายไม่ได้กาไรขาดทุนเขาไม่ไปขอคนที่ไร้บุญวาสนาเปรตไม่เข้าไปขอบ้านนั้นเปรตเข้าได้ทุกบ้านคือขอทานเปรตเข้าบทได้ไหมได้แต่อสูรกายดุร้ายเข้าไม่ได้ถ้าบ้านเรามีบุญกุศลมีเทวดารักษา อสูรกายยักษ์ร้ายอ่ามนุษย์เข้าบ้านไม่ได้ไม่ต้องไปหาเครื่องป้องกันไม่ต้องเอาพระมาเขียนผ้ายันไม่ต้องหวานใจหรอกเขาไม่เข้าถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระทุกวันหมัอนจเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาพวกนี้เข้าบ้านเราไม่ได้แต่มีเข้าได้อยู่อย่างหนึ่งคือเปรตประตูเปรตนี่เป็นโลภะที่เป็นขอทานจะเข้าได้ทุกแห่งใสเที่ยวไหว้กราบขอบุญกุศล อย่างเรามาเจริญกรรมฐานปู่ย่าตายา ย, ายตายไปเป็ดเปลตจะมาขอเลยถ้าคนไหนได้ยินเสียงเปรตร้องคือญาติของคนนั้นถ้าเราไม่ได้ยินไม่ใช่ญาติของเราถ้าได้ยินเสียงเตรียมแผ่ส่วนกุศลได้เป็นญาติของเราเลยทีเดียวร้องขึ้นมาต้องการขอบุญกุศลรีบแผ่ให้เลยนะ นั่นแหละญาติของโยมตั้งแต่ชาติไหนก็ตามไม่ใช่ตายไปสวรรค์ทุกคนขอฝากไว้คำสอนหลวงพ่อเจรันวัดอัมพวันสิงห์บุรี